นั่นเป็นไปได้ทีเดียวที่สมเด็จกรมธรรม์รงราชานุภาพได้เป็นต้นแบบของท่านในช่วงหนึ่งเพราะท่านยังหนุ่มน้อยอยู่มากเมื่อสมัยที่กรมธราม์รงสเสด็จลงไปศึกษาและรวบรวมวัตถุโบราณทางใต้นะครับองค์พี่บุคคลที่สองเป็นคนที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านมีท่วนเหนือชีวิตของท่านอย่างมากก็คือมารดาท่านเองครับหลายครั้งที่ ผมเองเรียนถามหรือพระลูกอื่นเรียนถามแล้วก็รับรู้กันในกลุ่มที่ที่นั่งฟังว่าบุคลิกภาพบางอย่างนี่เกิดจากแม่ของท่านเช้นท่าเล่าว่าแม่ท่านมันเป็นคนละเอียดออนเมื่อใช้ท่านหุงข้าวแล้วเนี่ยเห็นนั่งเ้าไฟนั่งดูหม้อเดือดแม่ท่านจะเตือนบอกว่ า, วาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างทำไมไม่ทำล่ะดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่า นิสส่วนนี้เนี่ยท่านติดมาจากมารดาของท่านแต่แล้วท่านเองก็สารภาพว่าผมทู่น้องชายไม่ได้ครูธรรมธาตุนั้นละเอียดอ่อนกว่าชาวทยาทั้งหมดนะครับแต่เฉพาะที่ตลาดนั้นเลื่อมใสครูธรรมธาตุเนี่ยผมคิดเลื่อมมากกว่าท่านอาจารย์สโมโภมีคนพูดกันว่าท่านอาจารย์สโมโภชน่าจะเป็นอุบาสกแล้วครูธรรมธาตุน่าจะเป็นพระมากกว่าทั้งหมดนี้อย่าถือสาคําพูดนะครับก็ใครคิดยังไงก็พูดกันไป ลง ท, ทุนย้อนหลังทีนะครับผมพูดกลับไปกลับมาไม่ไม่เป็นสัม่มไม่เป็นระเบียบเลยนะครับนับตั้งแต่เรารับพุศาสนาฝ่ายเสรลวาจากลังกามัแล้วนะครับกินเวลาได้ประมาณแ800ร้อปีเศษปรากฏการเช่นนี้เป็นเปิด ก, การใหญ่นะครับในยุโรปหรือที่อื่นนะครเมื่อรับศ า, าสนาหนึ่งศาสนาใดแล้วกินช่วงเวลาไม่เกินสามร้อปีก็ถึงยุคมืดคือยุคไร้ศ า, าสนาแต่ถ้าร เ, เ, เราไปดู tiny village black ตลาด เมื่อรับพระสัทนมาแล้วตั้งมั่นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนต้นไม้ที่รอกแพงรากลึกแผ่กิงก้านกว้างนับตั้งแต่พระรจ้าจักรสุโขทัยเป็นต้นมานะครับยังไม่เคยมีนักปราดหรือสมณรูปหนึ่งรูปใดกล้าตีความพระพุทธวัฒนะอย่างตรงไปตรงมาและอย่างเข้มข้นและจริงจัง ถ้าเั้ผมพูดโดยส่นยวนตัวก็คือมีท่านอาจารย์สมโภชน์นี่แหละครับที่เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเทศนี้นักบวชทั่วๆไปในลําดับของประวัติในห่วงเวลาในอดีตนะครับก็จะทอมมากต่อการเทศนารูปแบบของการเทศนามันธมาตท่านจะเพราะว่าเมื่อพระภิกษุขึ้นนั่งมันเทศนาแล้วได้รับการราฐนาแล้วก็ตั้งนโมตัสสะแล้วตั้งนิเคปบทคือบทย่อ เอาพพุทธศาสนาที่เป็นบาลีขึ้นตั้งแล้วก็แสดงความถ่อมว่าณนะบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงธรรมวิสัชนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไ, ไม่ได้ว่าเอาเองนะแค่แ ค, ค, ค, คนอง น, นั้นไม่กล้าแต่ไม่กลา้กลาใช้ความรู้สึกที่ทราบถ้งหรือความรู้สึกที่ออกจากเนื้อนในของชีวิตของตัวเข้าไปอธิบายสิ่ง น, นั้นดังนั้นพุทธศาสนาเถววาจึงแตกตัวออกในลักษณะของสถาบัน ผมขออนุญาตใช้สังเกตเป็นแอ a เดม y เป็นแอ a เดมีครับมีลักษณะของทางวิชาการมากท้ายที่สุดผลก็คือพระพุทธาสนาไก้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมเป็น c คอรเซ์แทนที่จะเป็นวิถีทางของการทำให้ทุกข์ของความดับทุกข์สมดังเจตนารมในเรื่องอริยสัจ ท, ที่พระเจ้าท่านทรงสอนนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นวิถีชีวิต เมื่อช่วิสีอย่างวัฒนธรรมเราเพบว่าบุคคลอาจจะมีท่าทีทางวัฒนธรรมสูงแต่ก็อาจจะไม่ได้จริงใจก็ได้เหมือนเราเวลาสลังมาเราลาไทยก็ดูเราถึงเวลาจริงเราก็ไม่ได้เราไม่ต้องอยู่ในวัฒนธรรมของเราแต่เราสแสดงออกว่าทําเราเพื่ออวดว่าเราเป็นชาวพุทธเท่านั้นท่านบอกท่านอาจารย์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะด้วความที่ภาษาบาลีแล้วต่อมาภายหลังท่านอธิบายว่า โดยการภาวนาอย่างต่อเนื่องนะฮะและอีกประการสำคัญมากซึ่งเป็นบาดฐานที่ทำให้งานทั้งหมดของเนาจารย์เกิดเอกภาพและพิดแพกจากคณาจารย์องค์อื่นนะครับก็คือการใช้ชีวิตซึ่งแนบสนิทกับธรรมชาติและนี่ตราไว้ได้เลยนะครับขีดขึ้นใต้ตรงนี้ให้ดีนะครับว่าตลอดช่วง800กว่าปีรูปแบบพุทธศาสนานั้นค่อนข้างเป็นราสนักในบ้านเมืองเรานะครับ ค่อน ข, ข้างเป็นระบีบเป็น culture เ, เป็นวัฒนธรรมที่สูงส่งแต่ว่าห่างไกลามากกับค ำ, คำหวานทคำวิถีทางแห่งธรรมชาตชิมีความในที่ล่กลึกอยู่อันหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ก็คือมนุษย์เราไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในกระแสะธรรมชาติอันไม่รู้สิ้นจุดเท่านั้นฮะแต่มนุษย์นั้นยังเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยครับข้ออ้างอันนี้ผมอยากจะพูดว่า สำคัญมากครับตรงที่ว่ามนุษย์คิดว่ตัวเองเนส่วนหนึ่งของธรรมชาติในช่วงที่มนุษย์เลวร้ายมนุษย์จะทําลายธรรมชาติเหมือนที่เรารู้กันอยู่เป็นวิกฤตการแทบจะถาวรแล้วนะครับในช่วงทมนุษย์มีสำนึกขึ้นมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็จะเกิดการอนุรักษ์จิตแห่งการทําลายและจิตอนุรักษ์นี่มันเป็นหญิงอย่างเลครับคือหมุนไปหมุนมาในทุกยุคหนึ่งเดี๋ยวเราก็เริ่มทําลายกันอีก เราบำรุงธรรมชาติพอสมบูรณ์เราก็ลืมตัวเดี๋ยวเราก็ทำลายแต่การที่รุ่งลึกที่สุดก็คือการอยู่เหนือการทาลายและอยู่เหนือการในรักนี่สำคัญมากครับถ้าจะเป็นดังนั้นไหมครับต้องเป็นความรู้อีกระดับหนึ่งที่ว่ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผมจะอ้างคำของจางซือปราจีนนะครับผมอาจจะออกเสียง ตำแหน่งตีนไม่สม บ, บสมูร์ทั้งๆเป็หลานตีนนะครับแต่ไม่รู้สตีเลยจำชื่อพูดในในยอะที่ลึกลึกว่าทีที่อือ้วเป็นแสนครับฟ้าดิงและอ้ววเป็นอันเดียวกันวงหนวยอืออ้วอุจจกอุอจตนะครับมูลสิ่งสรรพสิ่งกับอ้ววเป็นอันเดียวกันนี่เป็นความในที่ลึกลึกครับมองโดยแง่ของจิตวิญญาณแล้วมนุษย์เป็นอันเดียวกับธรรมชาติะ มองในยะที่แบ่งแยกมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในกระแสธรรมชาติเช่นเดียวกับเรามองว่าน้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำเราก็มองได้เพราะมันมีก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ในน้ำแต่ว่าธาตุแท้งน้ำแข็งกับน้ำอันเดียวกันนะเมื่อน้ำแข็งละลายหมดก็คือธาตุน้ำวิถีชีวิตที่ต้องใช้ใกล้ชิดกับธรรมชาติผมคิดเป็นบาฐานใหญ่ที่ส่งผลสะท้อนยาวนาน มาสู่ตัวท่านเองส่วนโลกและสังคมไทยและเป้าหมายนั่นคือโลกโดยส่วนรวมบันทึกที่สดใหม่มากของท่านอาจารย์นะครับช่วงที่อยู่ส่วนโมกในกลางคืนเลื่อนหายที่มีหมูป่าอะไรยนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าบันทึกของเดวิดทอโรเรารู้กว่าเดวิดทอโรหรือสีคนแรกของอเมริกันมันมีผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่โลกรับทราบแต่ว่าบันทึกช่วงต้นของท่านอาจารย์ส่วนโมกนั้น มีอะไรที่ลุมลึกมากครับบางทีท่านบันทึกถึงความเจิดจ้าของดวงจิตในขณะที่ภาวนาแล้วก็เกิดท่านใช้คำว่ารากับว่าสิ่งตาเห็นนั้นเป็นสิ่งคิดหรือไม่ไม่ใช่ธรม ร, ธรมชาติหรือเหนือธรรมชาตินั้นแสดงถึงการก้าวล่วงเข้าไปสู่มิติที่แปลกประหลาดหรือพอจะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์แบบเอ็กซ์ตร้าครับแปลกประหลาดแต่ว่านั้นไม่ใชสาระที่น่าใส่ใจนะครับ เพราะว่าแท้ที่จริงนั้นการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินั้นได้ให้กำเนิดถ้อยคำหนึ่งสำหรับส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นคำที่เพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตและตรึงตาตรึงใจอยู่ไม่รู้หายครับเมื่อท่านพูดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่อะไรอื่นหรอกคือการที่มนุษย์ชำระตัวกลับสู่ธรรมชาติอีกขนหนึ่งที่สาคัญมากนะครับเป็นถ่อยคำสำหรับผมแลว ยิ่งใหญ่มากทีเดียวเพราะว่ามนุษย์เดินห่างจากธรรมชาติออกมามนุษย์เมื่อสร้างอารยธรรมแล้วอารยธรรมนั้นกลายเป็นอุปสรรคเป็นกำแพงกั้นเหมือนที่ท่านทราบว่าคําอารยธรรมในภาษาอังกฤษนะครับมันคือคําว่า civilization ซึ่งพูดง่ายๆพอระเรื่องก็ได้หรือแปลว่าเมืองก็ได้ครับเมื่อสร้างเมืองแล้วเมืองเลยครับมันจะกีดกันไม่ให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้ จิตสมุดซึ่งพัฒนาในเมืองนี่มันจะติดยึดในในสมมุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องหันหน้าออกจากวังและแสวงหาที่ท่านาจารย์พูดซ้ําแล้วทำอีกนะครับในเทศนาหลายแห่งหลายทิ่งทันว่าเกิดกลางดินใช้ชีวิตกลางดินกินกลางดินตายกลางดินม น, นุษย์เรานะครับวิถีชีวิตของมนุษย์เราที่สูงส่งนั้นไม่ใช่วิถีชีวิตในพระราชวังหรือประดัประดาด้วยทองหยอง หรือเยตัตยศมากมายแต่ถ้าเป็นคติของคนโดนออกครั้งอดีตสมัยยุ่ยเงเรองด้วยความรู้แจ้งทางวิญญาณแล้วแล้วก็วิถีที่เร่ร่อนวิถีที่ติดบินเท่านั้นที่จะสอดคล้องกับวัตจักรและความเป็นไปของมหาวิถีของธรรมชาติทั้งหมวลดันั้นความยากไร่ความเร่ร่อนความเปล่าเปลือยสิ่งที่หมดนี้เป็นสิ่งที่เรียกพระเจ้าทรงเรียกว่าอริยธรรม อัศดางทิศกระมัท่านไม่เรียกซีว i ยเซชั่นข้อขัดแย้งในทางทฤษฎีระ ห, หว่างความหมายคำว่าอารยธรรมของปราตวหนออกและวันตกมีอยู่อย่างชกาจกันครับคนวนตกถือว่าซีวายเซชั่นนั้นเกิดในกำแพงเมืองเช่นมหานครเอเธนก็ดีอะไรที่เกิดพัฒนาขึ้นในเมืองนี่ถือเป็นอารยธรรมนั้นนอกกาแพงเมืองถือเป็นอนาระยะครับเป็นปาเถื่อน แต่ถ้าท่านไม่หลงทางจากวิธีคิดของปรัชนออกแล้วท่านจะพบว่าป่านั่นเองเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเมืองเป็นตัวปัญหาพระศาสดาผู้รู้แจ้งส่วนใหญ่นะออกจากเมืองไม่ว่าโซโลแอสเตอร์หรือพระพระทรุทธองค์ก็ตามหรือแม้แต่โซเครติสปราดทางตะวันตกซึ่งถูกบีบให้ตายด้วยสมัครใจต้องออกเรร่อน มีคุณติของศัพท์ของคําว่าพิกคุซึ่งแปลผู้ขอศัพท์เดียวคาเบกาใ น, นหนึ่งทางตานออกถึงว่าวิถีชีวิตของการเร่ร่อนเป็นผู้ขอนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งท่านอาจารย์เขียนคติพจน์อนนี้ไว้ที่ลงฉันเก่าซึ่งเด่๋ยนี้ยันอยู่หรือไม่ผมไม่แน่ใจครับว่าไฮทิงกิ้ low living นี่คือวิธีทางส่วนโมคคิดสูงๆคิดได้ลึกคิดได้กว้างคิดได้ไกล แต่เป็นอยู่ให้ตำที่สุดคติพจน์เหล่านี้เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของท่านเองเมื่อผมศึกษาลาเพศจากสมรมะแล้วนะครับผมไปเยื่ยมท่านคำแรกที่ท่านถามผมท่านไม่ได้ถามว่าทํางานอะไระไรายได้ท่านถามผมว่าคุณมุงกินข้าวจานแมวหรือเปล่าเป็นคําทักทายซึ่งเตือนให้ทําในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วนั่นเองนะครับกินข้าวจานแมวอาบน้ําในครูเป็นอยู่เหมือนทาส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 เราเคยมีครั้งหนึ่คือความมีกัลยาณมิตรความมีคนที่เรานับถือบูชาไว้สักคนหนึ่งในหัวใจเรานี่เป็นสิ่งสําคัญมากครับถ้าผมจะเตือนความทรงจำของท่านได้ต่อสั ญ, ญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธนะฮะแม้ไม่ใช่เป็นพระพุทธวัชนะโดยตรงทุกทีในชั่วโมงที่พระพุทธเจ้าจะถึงซึ่ ง, งการตรัสรู้สมบูรณ์นั้นมีที่ดาวมานี่สามตนนะครับจะเรียกสานางใน3อสาตนด้วยนะ ทีิเป็นสัญลักษณ์เป็นบุคคลาทิสฐานนางแรกที่นางโทษานางราคานางโทสานางน้องซึ่งร้ายกาจที่สุดหนึ่งคือที่ออรดีครับอรดีคืออารติแต่ไม่รักทําไมความไม่รักจึงเป็นอุปสรรคต่อสติปัญญาชั้นสูงครับนี่เป็นสิน่าคิดมากครับจิตใจซึ่งซึ่งไม่มีเมตตาครุณาไม่รักไม่สามารถที่เข้าถึงการตรสัสรู้ได้ ตอเมื่อพระเจ้ากำหนดรู้นางรู้สามนั่นแล้วนะที่ดาพญามารก็ถอยกรุดเห็นไหมครอรดีนี่คือคำาอรติครับอรติมา้ากคำว่ารักอ่ะก็ไม่ครับแปลไม่รักเ อ, อผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับเกือบจะเป็นคตินําทางของชาวพุทธซึ่งมีท่านอาจารย์ที่สุโลกพูดย้ําอยู่เสมอว่าสําหรับชาวพุทธที่แท้จริงแล้วนั้นให้มีเมตตาเป็นปุเรจารื ว่าจะทําอะไรนี่จะไปทั้งไหนเหมือนกันมีท่าไฟสองไม่มีเมตตาเป็นครึ่งสองทางไลยข้างหน้าเพราะเมตตาปัญญานั้นเป็นสองหน้าของเหรียญเดียวครับสติปัญญาขั้นสูงที่ว่าขันห้าไม่ใช่อะไรอื่นกับธรรมชาติเป็นอันเดียวธรรมชาติชีวิตเป็นอันเดียวกันทั้งโลกครับนั่นเป็นปัญญาขั้นสูงแต่พร้อมกันนั้ น, นมันเป็นเมตตาด้วยเมื่อเห็นชีวิตไม่ผิดแผกกันมันเป็นเป็นคู่เลยครับ มีคําพูดของชายสารนะครับที่ลุ่มลึกมากที่จะเอามาส่งทบกับความในที่ลุ่มลึกอันนี้ก็คือในบทเพลงเสียวสว่าดขึ้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่ น, นพูดด้วยว่ายังมีชายคนหนึ่งชื่อวสับพลาวลาอยังมีชายคนหนึ่งซื่อวัดสัพพลาลาคนคนหนึ่งคือสับพิณทั้งตัวงเมื่อเราพูดถึงขันห้าหรือยานในขันห้าเนะี่ยเรามักจะ อารูปปั้นขันยุคแต่เป็นร่างกายซิคือคนคนหนึ่งที่จริงรูปปั้นคือสิ่งเห็นด้วยตาครับดวงดาวดวงเดือนพระาทศีจักรวาลทางวัตถุทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปปั้นถึงขอบเขต ร, รูปขันห้าไม่ใช่คนคนหนึ่งนะคขอบเขตกันห้าคือจักรวาลทั้งหมดครับโปรดเข้าใจสิ่งนี้นะดังนั้นพยานในขันห้าซึ่งได้ทําลายอุคละสัญญานะครับที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนที่ไหน ก็คือสภาวธรรมทั้งหมดนี่คือขันธ์ห้าที่บริเจอเมื่อมองเช่นี้แล้วนะครับเราจะพบว่ามนุษย์ไม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งธรรมชาติเท่านั้นมนุษย์เป็นอันเดียวธรรมชาติเป็นอันเดียวกับจักรวาลครับนี่คือยานของพระเจ้าในขันธ์ห้าในเรื่องสภาวธรรมนะครับต่อมาเนี่ยผมจะเล่าเรื่องที่ผมรู้สึกว่าทจฟังเครียดๆเลยนะผม เล่าเรื่องที่มีความซึ้งซึ้นบ้นางก็ได้ครับคือวิธีที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยผู้คนตามจริตนิสัยของแต่ละคนนะครับสิ่งนี้คมคิดว่าสิ่งสําคัญมากนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยจะมียานหลายอย่างจะมียานเดียวที่สืงวนไว้สําหรับพระพุทธองค์คือนานาทิมุติยานทัศนะครับคือยานที่ร่วงรู้วิถีทางรอดของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างผู้เจ้าคนพูดกับองค์ริมานอย่างหนึ่งพูดกับปต่าจาราอย่างหนึ่งพูดกับน้อนอย่างหนึ่งพูดกับนุ้อย่างหนึ่งกับบางคนบางทีท่านหลอกล่ออย่างพระ น, นันทะกุมาร น, น้องท่านหนึ่งฮะล่อให้หนางฟ้าขอใหญ่แต่งงานเลยนะนางฟ้าสวยกว่าถ้าเราจะมองผู้เจ้าทุกสีนึกคงไม่ได้ครับเป็นอุบายที่จะดึงล่อจิตซึ่งกําลังตกหลุมทางอย่างหนึ่งเหมือนก็ดึงคนขึ้นจากโคลนนะครับแม่สิ่งนี้จะสมนไว้ สำหรับพระพุทธองค์ก็ตามแต่ผมก็เห็นบ้างในท่านอาจารย์สันโมนะครับว่าท่านมีบ่ายที่ล่อหลอกคงจะเรื่องตัผมดังนั้นผมจะเล่า อ, อิงอัตวิสัยนิดหน่อยนะครับผมไม่รู้จักใครดีกับตัวเองประสบการณ์คนอื่นผมเล่าแทนไม่ได้แต่เล่าแทนประสบการณ์ตัวเองว่าผมเองไม่ออกบวชด้ใหม่นั้นต้องการคําสอนของพระเจ้าเท่านั้นครับไม่ติดใจที่คับแค่ว่าพระพุทธเจ้าดีที่สุดในโลก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 ท่านพยายามยาเย้าแจ่มทีก็เล่าเรื่องประเถนใจที้ฟังที่จริงผมฟังห อ, อกแต่ว่าผมไม่เข้าหรอกท่านยังถามผมว่าคุณฟังได้หรอกแล้วีืมข้อนหนึ่งท่านเรียกผมไปนะครับปีนั้นเป็นปีที่โป๊บจอนบอนสนิปป า, ปาแห่งวาริกันนั้นขึ้นขึ้นดํารงตําแหน่งแล้วจอนปอนเป็นโป๊บที่ถือตำแหนิดในค่ายโปรแลนด์ครับเป็นค่ายสังคมนิยมเป็นโป๊บองค์แรกดังนั้นขวัญ กำลังใจของชาวยุโรปในทางศาสนานครับดีขึ้นมากในปีนั้นพระอาจารย์เรียกผมไปบอกว่าผมอยากจะให้ของขวัญโต๊บจอนฟอนคุณช่วยวาดรูปให้หน่อยได้ไหมเกี่ยวกับพระเยซูตั้ง ก, ก็ยื่นใบเบิลให้แต่คุณต้องอ่านไม่หมดนะไม่อยงนั้นคุณจะเขียนได้ยังไงผมก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะไม่คุ้นเลยเราเป็นพระอด้วยแต่ก็เพื่อจะทํางานในท่านก็อ่านครับตั้งแต่อ่านตั้งแต่คัมภีร์เก่าพิเล น, นาพิเ น, นาเพืเนนพ่อจะรวบรวมเนื้อหามาเขียนให้ได้ ผมเขียนเสร็จแล้วล่างเสร็จเอาไปให้ท่านเช็คตรวจเช็คท่านก็วิจารณ์บ้างอล้วน้อยผมเขียนได้จํานวนหนึ่งนะครับปั้นด้วยนะฮะปั้นปั้นพระเยซูเราเป็นเปล็ดอันนี้ผมว่าผมทําไงครับคือผมปั้นพุทธรูป ก, ก่อนแล้วก็เติมหนวดเติมผมให้ยาวก็เป็นพระเยซูแต่นั้นไม่สําคัญอะไรนะครับเมื่อผมเขียนได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยผมไปหาท่านข้างหลังเพื่อให้ท่านวิจารณ์ ผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์ได้สย์สิ่งความใส่ใจในสิ่งที่ท่านสั่งผมเรียบร้อยแล้วผมไม่กระจายเลยแล้วก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับทั้งๆที่เราทุ่นเทใหนะ้ต่อมาภายหลังนี้ด้วยท่านหลอกกับผมอ่านไบเบิลครับผมอ่านจนเป็นอุปการะเป็นนิสัยผมอ่านต่อมาตั้งหลายปีเนะี่เป็นสิบขึ้ปีเลยคนระับ ต, ต่อมาผมเดินทางไปในยุโรปมีคุณอุปการกับผมมากในการที่พูดกับบราเธอร์หรือพวกคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ผมเคยถูกเชนในสัมมนา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 วันหนึ่งเนื้อพวกเราคําพวกเราหมายถึงพระเนรคนวัดกําลังช่วยกันเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กันนะฮะซึ่งงานที่หนักและเหนื่อยมากเนื่องจากฉันอาหารมื้อเดียวแล้วก็ทํางานหนักแต่นั่นคือดงมติของส่วนโมกในช่วงนั้นๆครับขณะที่กวนปูนันอยู่ท่านอาจารย์นั่นก็เบรคจากการอ่านหนังสือหรือฟักฝันท่านมาถามว่าคุณทำอะไรกันอยู่บอกวนปูนท่านบอกว่าคุณงโง่ขี้ดีเลย คุณจะโกลนทาไมให้เสียเวลาทํำไมคุณไม่เอาโกนเอาทรายเอาหินเอาน้ําเทรวมในถังน้ำมันแล้วก็ปิดฝาโดยที่มันมีถังที่ปิดฝาสนิทได้นะฮะแล้วคุณก็เคลื่อนไปในสนามหญ้าแล้วคุณไม่ต้องเหนื่อยแรงแล้วก็เอามาใช้ได้ทุกคนก็สว่างสวยขึ้นในข้อแนะนําันว่าเออจริงๆด้วยเราไม่เคยคิดกันมาก่อนแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามโดยความหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้น คลิงไปคลิ้งมาจนเหนื่อแตกพอเปิดฝาหินอยู่หินตายอยู่ทายพุ่งยู่ <laughs> พวกเราทั้งมีอารมณ์ครับทั้งเหนื่อยทผิดหวังอาจารย์นั่นเห็นหแล้วท่านหัวเราะที่บอกผมจะไปรู้อะไรผมไม่เคยทํา <laughs> ันเป็นประเด็นที่ดีมากก็ว่าในความคิดต้องทดลองความจริงด้วยครับเพื <laughs> จ, จะรู้ว่าสิ่งเราคิดนั้นถูกใกล้หรือห่างไกลจากเป้าหมายที่เราคิด ผมเล่าเล่นขอให้คลายเครียดครับทีนี้ผมจะน้อมก็ไปสู่เรื่องพึงงงงงงง้นขั้นขๆลึกขึ้นอีกนะครับความถ่อมของทอาจารย์ไม่มีอยู่อย่างสูงผมเคยเห็นกระตาที่ท่านกราบอาจารย์ที่เคยสอนบาลีเรืออะไรนะผมไม่ทันนะครับแต่อาจารย์องค์หนึ่งคิดว่าเป็นพระคู่สวดอย่างอ่อนโยนนะครับอย่างซึ่งผิดกับตอนที่ท่านนั่งบรรธรรมาภรณลากรัราชศีหรือผู้ที่กําลังประกาศธรรมะที่ยิ่งใหญ่ ท่านแนะนำให้ผมไปหาโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคเลือนครับคนที่ไปในส่วนโลกช่วง น, นั้นอาจจะไม่รู้จักแต่บางคนอาจจะรู้ครับชื่อยโอมโยวนครับท่านอาจารย์ไม่ใช่บุคคลที่ลืมคนอื่นได้ง่ายๆแม้คนนั้นจะเจ็บป่วยเป็นโรคเลือนก็ตามนะครับยมยวนหลบอยู่ในกระสอบเล็กๆไม่ค่อยได้สัมพันธ์ผู้คนเพระเจ้นหนักท้าทวดตัวเองเป็นโรคผมเข้าใจไม่ใช่โรคเลือนเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่เป็น ผื้นๆแข็งๆํามเนื้อดำตัวนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรแต่เป็นโรคที่น่ารังเกียจท่านาจารย์เรียกผมว่าคุณไปหาโยมยวนเขามีอะไรดีมากแล้วท่านเล่าเมื่อสมัยนึนงค่เนี่นะฮะโยมยวนเคยแสดงวาทะทางธรรมนะครับในที่สาธารนณะจนเอาชนะมโนลาลงที่มีชื่อเสียงได้ท่านควรจะทราบอันหนึ่งนะครับว่าคนปากใต้นี่กับมโนลานี S 1> <S 1> เป็นของคล้ายๆกู้ขวัญเป็นของตรวจลานมากเขชอบนิยมยุนแต่ยมยุนด้วยอา ศ, าศาัยเพียงแต่ปากเปล่าพูดธรรมะจนไม่มีใครดูโนราเลยครับนันเป็นปรากฏการณ์ที่ฝังในความจําของมมมท่านอาจารย์สันโมท่านเลยแนะบอกว่าคุณไปหายมยุนเขามีอะไรดีผมก็ไปหาอยู่หลายเวลาครับก็จริงดังที่ท่านแนะนำํำคือยมยุนเป็นคนที่โรครังเกียจเพราะเป็นโรคซึ่งซึ่งน่ารังเกียจ แต่ในร่างกายอันผุพังนี้ครับได้ซ่อนภูมิปัญญาชั้นสูงไว ม, มากท่านอาจารย์เหงนสั่งผมว่าให้เอาอะไรที่ยมเยวนเขาเขียนเป็นชาร์อะไ ร, นไรเนี่ย d i a g เนี่ยอามาลอกขึ้นที่ฝาผนังในโงรงพยาบาลรศทางปัญญาณในฐานะที่เป็น treasure เป็นทรัพย์สมบัติของทางปัญญาของมนุษย์คนนี้ท่านไม่เคยลืมคนที่ ได้ต่อสู้ในทางภูมิปัญญามาแล้วครับตละดช่งชีวิตของท่านนะครมีความถ่อมแต่พร้อมก น, นั้นถ้าจะเลือกใช้ทำมากร้าวราก็ได้อยู่นะครับคท่านกร้าวราทางความคิดเวลาคิดคิดหนึ่งเหมือนเพื่อนต่อมาท่านก็แนะนําหลายคนโดนผมด้วยนะครับบอกว่าสิ่งใดที่เพื่อนก็คิดอยู่แล้วทวาาวําอยู่แล้วคุณอย่าเสียเวลาเลยคนที่คิดแล้วทําในสิ่งที่ก็หนึ่งเขาไม่ได้คิดแล้วไม่ได้ทำนนแหะ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 คำพูดของพระเจ้าผมที่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากในในโลกของพุทธาศาสนานะครับเนื่องจากการเวลานะครับอยากย่อยและวัตพูดของการเวลาทําให้คําสอนของพระเจ้านี่ค่อนข้างสับสนคือเราไม่รู้อะไรกั็นอะไรแล้วอุปการะคุณเงินยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ก็คือท่านทําให้ธรรมะหมวดต่างๆนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสโมโอธาน สอดสารสวมลงกันได้จนกระทั่งเห็นจุดสําคัญจุดที่เรียกเป็นพุทธศาสนาะที่ยเรื่องอทัพปญตาคดีเรื่องปฏิจารุบาศคดีเรื่องซึ่งแต่กรแตกกันเเสียงมันเสียงเปนเสียงพระสงฆ์เนีดีก็อาศัยขนบธรรมเนียมการเทศนาหยิบหัวข้อวันนี้จะพูดเรื่องอริยสัจพรุพ่งนี้พูดเรื่องโพชงพกกรุ่งนี้พูดเรื่องโพธิุถิศปักยธรรมปรินี้พูดเรื่องศีลสมาที่ปัญญาซึ่งแต่และส่วนนี่เหมือนรูปซึ่งเราต่อกันไม่ติด เราไม่เห็นว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะรัท่านาจารย์อาศัยความรู้บาลีก็ดีการภาวนาก็ดีการแปลจากมหายาณก็ดีนะครับก็ททำให้เกิดธรรมสมโมทานครับคำนี้แปลว่าการสอดสวนรวมรวมท่านเคยอธิบายคำามาแตกสารไว้ผิดอ่าหนึ่งนะครับท่านบอกว่าทั่วไปคำามาแตกสารอาจจะหมายถึงการแตกสั้น คือพุ่งสร้างไม่ได้คนนั้นรู้มากแต่จริงๆไม่รู้อะไรเลยครับพูดได้มากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาได้วยองไรนะซึ่งนักวิชาการสมัยใหม่เขาเรียกสิ่งนี้ว่าลทัทธิอภิบาลทบายหรือหัวบาลิซึ่งครับหรือเรียกว่าการพูดพูดไปเรื่อยๆทำงานหนพูดได้ทั้งวันทั้งคืนครับแต่ถ้าอธิบายนร่อแตกสารหมายว่าสามารถกระจายแตกตัวไปแล้วเนี่ยรวบกลับมาที่ต้นต่อได้อันนี้นับว่าเป็นคําอธิบายที่เหมาะเหม่งมากครับ คือไม่ใช่รู้มากอย่างเดียวแต่สามารถรู้รวมลงหนึ่งได้ทั้งหมดอยู่ในหนึ่งและหนึ่งนี้เป็นทั้งหมดได้นี่คือคุณนอุปการของท่านในทางทฤษฎีนะครับ